ทรงประชุมสง์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฉับพักขีสงน้ำขัดสีกายคือขาบ้าง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 หรือทาคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะส่งน้ำไม่พึงขัดสีกายกับเสารูรปใดขัดสีต้องอาบัตทุกกฏ